6. สุรุสุรุวักสิกขาบทที่หนึ่งหนึ่งภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อฉันทําเสียงดังซุดูต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อฉันเลียมือต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สาม ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อฉันขอดบาดต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อฉันเลียริมฝีปากต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่หภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหาร ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อเทน้ำล้างบาทมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้กั้นร่มต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือ อาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนถือไม้พลองต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนถือสาตตราต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏ สิกขาบทที่10ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนถืออาวุธต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสุรุสุรุวักที่หจบ